พระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสได้นำมาสการพระเจ้าร่วมกันและ <c oughs> วันนี้นะฮะก็มีตอนเช้าก็มีการประชุมนะครับก็อาจจะทำให้หลายๆท่าน เ, เหนื่อยนะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ลีวิ่งมา <c oughs> นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะที่ <c oughs> เราเองก็ได้เริ่มต้นวันแต่ละวันนั้น้วยการทรงนำของพระเจ้านะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เป็น แท้จริงแล้วในเทศกาลของคริสตจักรนะครับก็จะเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเตรียมรับเสด็จนะครับเป็นอาทิตย์แรกนะฮะเดี๋ยวพี่น้องสามารถรับหนังสือคู่มือภาวนานะครับที่ด้านหน้านะครับรู้สึกเมื่อกี้เราได้เอาวางไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับแล้วก็ะจะมีเราจะใช้ในการเฝ้าเดี่ยว นะครับหลายๆท่านก็อาจจะใช้มานาประจําวันใช้ห้องชั้นบนใช้พลังประจําวันนะครับแล้วเราเรายังมีคู่มือเล่มนี้นะครับก็คณะศิีพิบาลเราได้จัดเตรียมไว้สําหรับพี่น้อง40วันนะครับในช่วงเทศกาลนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกซึ่งเป็นวันถ้าเมื่อเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับเราจะนับว่าเป็นวันอาทิตย์แห่งคําพยากรณ์นะครับเราจะสังเกตจาก ถ้าปูธรมาตุนะครับหรือว่าถ้าเป็นโบสถ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆเหล่านี้นะครับเยอะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนทั้งผ้าม่านด้วยนะครับผ้าม่านช่วงนี้จะเป็นสีม่วงครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นสีอะไรครับพี่น้องจําพอนึกออกไหมครับโอเคครับสีเขียวนะครับสีเขียวเป็นเทศกาลพระบิดานะครับเทศกาลพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็มีสามเทศกาลใหญ่แต่ว่าช่วงนี้ เป็นช่วงของอาการเตรียมรับเสด็จนะครับเราเตรียมรับพระผู้ช่วยให้รอดกษัตริย์จอมกษัตริย์จอมเจ้านายนะครับนั้นสีม่วงจะเป็นสีสัญลักษณ์แห่งแห่งกษัตริย์นะครับผู้ที่จะมาบังเกิดองค์กษัตริย์แห่ง อ, องค์สันติราชนะครับองอพระมหาราชาพระเจ้าของเรานั้นสีนี้สีม่วงนี่เป็นสีของกษัตริย์ พี่น้องคงจำได้นะครับว่าในช่วงของที่พปรยซุคฤตถูกตรึงถูกจับนะครับในคืนนั้นเขาก็เอาผ้าสีม่วงนะครับเป็นสีของกษัตริย์นั้นคลุมให้กับเปรีซูรพราะเจนาของพระเจ้าที่นำมาแบ่งปันกับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะครับในปฐมกาลบทที่สข้อ1 0 13ถึง21เดนะครับเราจะพบว่านี่คือเหตุการณ์ข้อบันทึกของเปรี ของพระเจ้านะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าพูดคุยกันกับซาตานงูนะครับอาดัมและเอวานะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับพระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทำอะไรไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้รับประทานพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้ เจ้าจะต้องถูกสาบแช่งมากกว่าสัตว์เลี้ยงใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องและต้องกินผงคลีดินตลอดจนชีวิตเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันของเจ้าและพงพันของเขาด้วยพงพันของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าเราเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมาย ในเมื่อเจ้ามีคันและคลอดบุตรถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสกับอาดัมว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคําพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาบเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลําบากตลอดชีวิตและแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืช ต่างๆของทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับไปเป็นดินดังเดิมเขาขชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นบรรดาของปวงชนที่มีชีวิตพระเจ้าทรงทําเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและเอวาสวมปกปิดร่างกาย นี่เป็นคำพยากรณ์ครับนอกจากเป็นคำสาบและยังเป็นคำพยากรณ์คนเราหลายๆคนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาอยากจะรู้อนาคตเขาไปไหนครับไปหาหมอดูไปดูดวงนะครับจริงๆแล้วมีดวงนั่นดีนะครับดวงดอเด็กเด็กของใครนะครับ เรารู้ว่าเราเป็นคนของใครใช่ไหมครับวอลแวนวิ่งมากไหมแอคทีฟหรือเปล่าขึ้อหรือลดหรือเปล่านะครับงองูเงินถึงหรือเปล่านี่เวลาจะทำอะไรต้องต้องมีดวงนี่คือสามสิ่งไม่ใช่ดวงชะตานะครับว่าแต่คนทั้งหลายอยากจะรู้อนาคตเขาก็ไปหามอดูอยากจะรู้อดีตไปหามอดู หมอดูเหล่านี้ทายทักได้ด้วยนะครับว่าเขาในอดีตเป็นอย่างไรแต่ว่าไม่ใช่หมอดูเหล่านี้บอกครับผีหรือว่าวิญญาณชั่วที่เขาถับถือนั้นกําลังบอกนะฮะแต่คริสเตียนผู้ที่เชื่อพระเจ้าน่าสงสารนะครับมีคําทํานายรอแล้วรออีกรอแล้วเรเล่าไม่เกิดขึ้นสักทีนะครับหรืออาจจะรอ ชนชาติอิสราเอลนี้รอคําทํานายคําพยากรณ์มากกว่าเจ็ดร้อยห้าิปีว่าจะมีเชื้อสายของดาวิดเกิดมาเป็นกษัตริย์มีหญิงพมจาเจีคนหนึ่งจะคลอดบุตรชายนะครับเจ็ดรอยห้าสปีกว่าจะเกิดยุคแล้วยุคเล่ายุคแล้วยุคเล่าหลายๆประเทศนี้ต้องสูญสูญชิน้นสูญสิ้นชาติไปแล้วแต่คําพยากรณ์เหล่านี้ ไม่เคยหยุดพระเจ้าเปิดเผยขึ้นเรื่อย ๆ, ๆนะครับผมจึงตั้งหัวข้อว่าปาฏิหาริย์คำพยากรณ์หรือว่าปาฏิหาริย์คำทำนายนะฮะเราประเทศไทยเราก็มีคำทำนายเยอะแยะหมดเลยถ้าเราเสด็จดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะมากเลยเรื่องราชการทั้งหลายหรือเรื่องอโลกจะสูญสิ้นนะครับคำทำนายเยอะแยะหมดเลยนะฮะปาฏิหาร หมายความว่ามีความหมายว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ความมหัศจรรย์ไม่ใช่ฟลุกครับในวงการกีฬาจะใช้คําว่าฟลุกกันบ่อยนะครับหรือว่าอะไรที่มันบังเอิญเนี่ยเราก็ จ, ากจะใช้กันหลายๆคนพูดจนติดปากว่าบังเอิญอันนั้นเกิดบังเอิญอันนี้เกิดแต่พระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่บังเอิญครับปฐมกาลบทที่สามนี้เป็นบันทึกของการล่มลงในความบาปของมนุษย์แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับ พระกัมพีได้พระเจ้ากลับกับงูและโดยเฉพาะเอวาดูเหมือนก็เป็นคำตำหนิคำสาปแช่งนะครับแต่ในถ้อยคำนี้เราพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อัศจรรย์มากเลยเราก็ไม่รู้นะครับในเวลานั้นก็คือว่าโพลพันธุ์ของหญิง กับพงพันธ์ของงูจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในคํำพยัคฆ์กรโดยเฉพาะเรื่องของการปลดปล่อยการรอคอยพระเมสสิยาที่จะมาบังเกิดนั้นนะครับในพระธรรมอิสยาห์นั้นมีอย่างน้อยถึง22ประการด้วยกันเยอะมากเลยแต่วันนี้ผมคงไม่เอามาทั้งหมดนะครับแต่จะเบาบางสิ่งบางอย่างบางประการเกี่ยวกับพระเมสสิยาพระผู้ช่วยให้รอดหรือว่าพระคลิ ที่เราทั้งหลายเรียกพระเยซูเนี่ยพระองค์ได้มาอย่างไงนะครับประการแรกนะครับคำพยากรณ์นี้นะครับกล่าวถึงว่าพงพันธุ์ของหญิงพงพันธุ์ของหญิงและพงพันธุ์ของหญิงนี้เป็นจริงที่พระเยซูครับในข้อที่สิบห้านั้นที่พระเจ้าตรัสกับหญิงว่าเราจะให้หผู้หญิงกับ งูนั้นเป็นศัตรูกันนะครับทั้งพงพันธ์ของงูและพงพันธุ์ของหญิงเป็นศัตรูกันเราพบว่างูในบทนี้นะครับไม่ใช่สเน็กแต่เป็นเซอร์เพนะครับคืองูใหญ่งูพญานาคเราเพบว่าในพระธรรมวิวรพญานาคคืองูดึกดำบรรและมันคือมารซาตานมารซาตานทาหน้าที่อะไรครับขัดขวางคนไม่ให้ไปถึงพระเจ้า และทําทุกวิถีทางที่จะให้คนนั้นนำไปสู่ความตายงูไม่ได้ฆ่าผลไม้มาให้เอวามายักขอโทษไม่ยัดปากเอวาแต่เพียงแต่ใช้กลยุทธ์ล่อลวงนิดหนึ่งแล้วเอวาก็ไปหยิบแล้วมาทําเองนี่คือการหลอกนะครับเพราะว่าเจนาของพระเจ้า ในอิสยาบทที่7ข้อ14ได้พูดถึงเด็กคนหนึ่งที่จะคลอดมาในโพงพันธ์ของหญิงนะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็อ่านอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง mm. เขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานุเอลอิมมานูเอล หลังจากที่มนุษย์ทำบาปแล้วนะครับพระคัมภีร์ บ, บันทึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่สถิตยอยู่กับมนุษย์ตลอดไปและพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานให้ภงมิคันของหญิงคนหนึ่งเนี่ยแล้วพระเจ้าจะมาอยู่กับเขาตลอดไปคืออิมมานุเอลที่แปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยสิ่งที่คนอิสราเอลกลัวนะครับคือว่าเขากลัวว่าพระเจ้า จะไม่อยู่ด้วยเราทั้งหลายก็กลัวครับกลวัวว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยมันอะไรเกิดขึ้นอันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิน้นแม้กระสัดดาวิดก็ยังบอกว่าคาถาพระกรของพระองค์นั้นเล้ลงข้าพระองค์พระองค์สถิตอยู่ด้วยนะครับข้าพระองค์สามารถกินอาหารต่อหน้าต่อตาศัตรูได้นะครับนั่นคือการที่พระเจ้าอยู่ด้วย และคำพยากรณ์นี้ในอิสยาห์บทที่7ข้อ14นี้ก็สำเร็จในมัทธิวบทที่1ข้อ23ได้บอกว่าดูเถิดหญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมาเรียวนั่นคือคำพูดของทูตสวรรค์ที่มาบอกกับโยเซฟให้รับมารียมาเป็นภรรยา พงพันของหญิงมีลูกแล้วนะครับมีเชื้อสายที่จะขยัที่จะเกิดมาและเชื้อสายนี้เกิดมาในเชื้อสายของกษัตริย์ในดาวิดผู้ซึ่งจะส่งครอบครองและผู้ที่ซึ่งจะเป็นกษัตริย์เนี่ยครับเราถึงปูผ้าสีม่วงนะครับสีของกษัตริย์ในสอง사무เอลบทที่เจ็ดข้อสิบสองได้บอกเมื่อวันของเจ้าครบแล้ว และเจ้าจะนอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขานี่สมุเอลพูดถึงดาวิดเมื่ อ, อจะอสิ้นสวรรค์หรือว่าสิ้นพระชนนะครับแต่ว่า ยังจะมีพงพันของดาวิดเองเพื่อมาปกครองเพื่อมาครอบครองนะครับแล้วก็สำเร็จอิสยาห์บทที่ส1เอดได้บอกถึงว่าลักษณะของผู้ที่จะมาเกิดนั้นนะครับบาะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านหมายถึงพระวิญญาณบนสุดของพระเจ้าและ เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูรับบัพติสมาอะไรเกิดขึ้นครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเจ้าสันธานเหมือนนกพิราบใช่ไหมครับมาประทับอยู่บนพระองค์พระองค์ได้มาบังเกิดและพระองค์เริ่มต้นพระราชกิจในนามของเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดแม้กระทั่งคนง่อยคนตาบอดทั้งหลายที่รอคอยบอกว่าพูด เยซูบุตรดาวิดเจ้าข่าขอทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิดเขามั่นใจและในพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งนะครับได้พูดถึงว่าสาธยายและบันทึกรายละเอียดทั้งหลายว่าพระเยซูนั้นมาบังเกิดตามเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดน่าจะเป็นโยเซฟใช่ไหมครับแต่ในมัทธิวพระธรรมลูกาครับก็กล่าวถึงพงพันของ พระเยซูเหมือนกันแต่นับตั้งแต่อาดัมลงมาเลยแล้วมาพานกษัตริย์โซโลโมอนนะครับพานมาทางเป็นมารีก็เป็นเชื้อสายของกษัตริย์นั้นเองทั้งสองนะครับเป็นเชื้อสายของกษัตริย์และเกิดที่ไหนครับบ้านเบตเลเฮมถูกกล่าวไว้ตั้งแต่ในพระธรมมีคาพระธรรมมีคาเป็น ช่วงปลายๆของพระธรรมอิสยาห์นะครับก็ประมาณ680ปีหรือว่าเจรอปีก่อนที่เปเรสคริสต์บังเกิดมิคาได้กล่าวว่าโอเบตและเฮมเอฟาธาเอ๋ย e e แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาของตระกูลยูดาจากเจ้าผู้จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อที่จะปกครองอิสราเอลอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อพระเยซูเกิด นักปราชญ์กี่คนครับไม่รู้ <laughs> โอเคถูกต้องครับนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับไม่รู้นะครับแต่ว่าของขวานสามอย่างถูกต้องนะครับหลายๆครั้งเราร้องเพลง เ, เราทั้งสามเป็นหวราจารย์นะครับแล้วก็คิดว่ามีหวราจารย์สามคนแต่พระคำพิมพ์ไม่ได้บอกว่ามีหวราจารย์สามคนนะครับแต่เพียงแต่ว่ า, วามีของขวาสามอย่างเครื่องบรรณาการสามอย่างนะครับเขาเหล่านี้มาที่ กรุงเยรูซาเล็มแล้วมาถามเฮโรธนะครับเข้าไปในวังเลยคิดว่ากษัตริย์ก็ต้องเกิดที่ในวังใช่ไหมครับพอไปถามเฮโรธแล้วปรากฏว่าเฮโรธไม่รู้เรื่องและเฮโรธเป็นคนที่จอมอัตตานะครับใช้ตัวตนเป็นที่ตั้งนะครับโหดร้าย ค่าแม้กระทั่งลูกตัวเองที่จะสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้นะครับเฮโรธแกล้งหลอกถามนะครับแล้วก็ถามพวกผู้ พ, พยากรณ์หรือว่าพวกนักศาสนาทั้งหลายว่ากษัตริย์ที่จะเกิดนั้นอยู่ที่ไหนนะครับเขาเหล่านั้นก็ยึดตามคําพยากรณ์ของมีคาว่าน่าจะบ้านเบเเลเฮมตามคําพยากรณ์นะครับแล้วก็ เฮโรดก็แนะนำให้ปลาดหน้าปาดเหล่านั้นไปแล้วก็อบอกด้วยว่าให้ถ้าเจอแล้วให้กลับมาบอกเราด้วยนะครับแต่ทูตของพระเจ้าก็บอกกับลักปาดเหล่านั้นไม่ให้กลับไปแต่ว่าให้หนีไปอีกทางหนึ่งซึ่งเขาเหล่านั้นก็ไปโยเซฟเองก็พามารีไปอยู่ที่อียิปต์นะครับเมื่อเขารู้ว่าหนึ่ง นักปราศไม่ม า, เ, าเข้ามาไ ม, ไม่มาบอกนะครับเฮโรดโกรธมากก็ออกประกาศนะครับให้พระหารเด็กทารกสองขวบลงมานั้นโยเซฟกับมารีต้องหนีนะครับหนีไปอยู่อียิปต์ซึ่งในคําพยากรนั้นก็บอกว่าพระเจ้าจะเรียกบุตรของพระองค์ออกมาจากอียิปต์นะครับในพระธรรมมัทธิวและ ก็สำเร็จนะครับในมัทธิวบทที่2องข้อ17นะั้นได้บอกว่าครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตัดโดยเยเรมีนะครับและเมื่อเฮโรธสิ้นพระชนนะครับบุตรชายคาริอสัสนะครับก็ได้ขึ้นครองต่อนะครับโยเซฟก็กลับมาแต่ว่ากลัวนะครับเนื่องจากว่าน่าจะมีอำนาจเดิมค้างอยู่นั้นโยเซฟก็ไม่ได้อยู่ที่ยูเดีย โยเซฟพามารีไปอยู่ที่บ้านนาซาเลตนี่แหละครับที่มาของคำว่าเยซูชาวนาซาเลทและเป็นไปตามคำพยากรณ์พระกัมพีมัทธิวบอกว่ามัทธิวบทที่20อขอโทษบทที่สองข้อ23าไม่บอกไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเลตเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยผู้เผยพชะวนะว่า เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาสเสร็จนะครับคํำพยากรเกี่ยวกับการบังเกิดได้สำเร็จไม่ใช่ฟลุกครับเกิดขึ้นจริงๆสำเร็จจริงๆนะครับมารีไม่ได้ไม่ได้ถูกปฏิสนโดยโยเซฟเขาไม่มีเพศสัมพันธ์ต่อกันแต่ พระสวรรค์และพระกัมภีร์ได้บอกว่ามารีตั้งครรภ์โดยเดทแข่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อัศจรรย์ครับเหนือธรรมชาติเหนือที่มนุษย์จะบรรยายได้แต่นี่อาจจะเป็นาศาสตร์หนึ่งที่ทําให้มนุษย์เริ่มคโคลนนิง่งเกิดการคโคลนนิ่งนะครับแต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้มนุษย์ทําการคโคลนนิง่งนี่คือความเล่นลับความลี้ลับแล้วว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ซ่อน บางสิ่งบางอย่างไว้นะครับมนุษย์โคลนิ่งสัตว์โคลนนิ่งเจ้าแกะดดลลี่ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะมีอายุเหมือนกับตัวอ่อนที่คลอดมานะครับแต่พระเยซู ก, กำเนิดจากมารีซึ่งโดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มีอายุเท่ากับมารีตอนที่ตั้งครรภ์สิ่งที่สองครับ ลักษณะของพระคริสต์นั้นเป็นไปตามคําทํานายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ทั่วโลกพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทําความชอบธรรมผมชอบและประทับใจข้อนี้มากโดยเฉพาะในช่วงที่พระคริสต์เจ้าพระองค์ทําพระราชกิจ แห่งความชอบธรรมและความยุติธรรมนี้นะครับในเยเรมีบทที่23ข้อที่6ได้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะเพราะอังกูลชอบธรรมให้ดาวิดและท่านจะครอบครองเป็นกษัตริย์และกระทำกิจอย่างเฉลียวฉลาดและจะทรงประทานความยุติธรรมความชอบธรรมบนแผ่นดินในสมัยท่านยูดาจะรอดได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรายังนมะีแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรานะครับและเราพบว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงให้ความยุติธรรมแก่คนที่เล็กน้อยแก่คนที่เจ็บป่วยนะครับถ้าตามกฎ แห่งพระกมภีเดิมนะครับคนที่เจ็บป่วยเขาจะต้องถูกกักตัวไว้นอกชุมชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าในที่สมชุมชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในสถานธมรมสการคนที่มามีร่างกายที่ไม่ปกตินะครับหรือแม้กระทั่งลูกหลานเลวีที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ปกติลูกหลานของอาโรนนะครับหมดสิทธิ์ที่จะเป็น ปุโรหิตครับเพราะฉะนั้นปุโรหิตเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายนะครับจิตใจนี่คือกฎกติกาของพระคัมภีร์เดิมแต่พระเยซคริสต์เจ้ามาช่วยคนที่ถูกเรียกว่านอกรีดคนที่ถูกรังควานด้วยผีร้ายคนที่เจ็บป่วยคนที่สังคมรังเกียจ พวกคนเก็บภาษีมีใครอยากคบไหมครับเขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้โกงใ น, นมัทธิวนะครับนั่งเก็บภาษีแต่พระเยซูดเดินผ่านมาบอกจงตามเรามามทัทธิลุกขึ้นตามพระองค์ไปทันทีนะครับอีกคนหนึ่งในลูกาบทที่1ิ สักเคียสสักเคียสตัวเลกเหมือนผมรู้ว่าพระเยซูจะผ่านมาทางนี้นะครับสักเคียสทำไงครับปีนขึ้นต้นไม้เราบอกว่าต้นมะเดือ่อจริงๆมันต้นชิกะโมนนะครับมันผมเคยเห็นต้นจริงๆที่อิสราเอลนั้นความกว้างของมันเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเท่า เปียโนโอเคนะครับต้นใหญ่มันเท่าเปียโนเนี่ยครับแต่ว่ากิ่งของมันก็อยู่ข้างแผ่ออกข้างๆไม่ได้สูงนะครับสเคียสปีนได้ครับไปขึ้นไปอยู่ข้างบนไปสูไปสู่ไ ป, ไปบ้านสกเกียสกินข้าวกับสักเคสนะครับและ เ, เวลาคนที่ทําผิดเรื่องหนักๆ คนยวมักจะลงโทษหนักๆนะครับในยอห์นบทที่1ินะครับเราพบว่ามียอห์นบทที่8ปข้อ1ถึง11เนะครับเราพบเหตุการณ์การตัดสินใจอย่างกระหารของพระเยซู พวกยิวพวกจูฟาริสีจับผู้หญิงคนหนึ่งมาได้เขาถูกจับขณะที่กำลังผิดประเวณีนะครับและนำมายืนต่อหน้าพระเยซูแล้วก็กล่าวโทษว่าและถามพระเยซูว่าผู้หญิงคนนี้ถูกจับผิดในข้อหานี้ตามธรรมเนียมแล้วจะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตาย แล้วพระเยซูก็ไม่ได้สนใจกฎระเบียบกฎหมายที่เขาเอามาอ้างนั้นนะครับพระองค์ก้มเอามือเขียนที่ดินนะครับจนบางคนบอกว่าพระเยซูเขียนอะไรนะครับคำตอบก็คือไม่รู้เดี๋ยวคอยไปถามพระองค์เาเอง แต่มันเป็นเครื่องหมายบอกว่าพระองค์ไม่ได้สนใจไอ้สิ่งที่คนเหล่านั้นฟ้องนะครับแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นมาบอกกับพวกเขาว่าเอาล่ะถ้าใครไม่เคยทำผิดใครไม่มีความผิดก็ให้เอาก้อนหินเริ่มคว้างก่อนนะครับยอนบันทึกว่า คนเหล่านั้นก็เดินออกไปทีละคนสองคนเริ่มจากคนเท่าคนแก่เนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยรู้กฎ ด, ดีนะครับเราอยากรู้อะไรให้ไปถามผู้อาวุโสนะครับแล้วเราจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับอย่าละเลยท่านเหล่านี้ใกล้ชิดท่านเขาไว้แล้วเราจะได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับแล้วเหลือแต่สุดท้ายก็เหลือแต่พระเยซูกับผู้หญิงคนนี้แล้วพระเยซูก็ถามว่าเอา้าเขาไปกันหมดแล้วเหรอ ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรอนะครับไม่มีใครเลยนะครับที่จะเอาโทษแล้วพระเยสุตอบยังไงครับเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทาผิดอีกนะครับนี่คืองานของพระเมสสิยาที่มาช่วยให้รอดนะครับงูสตาร์ช่วยให้ทาความผิดมากขึ้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ช่วยให้พ้นความผิดและให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่พระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ15เป็นข้อที่18เป็นต้นไปได้บอกว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรม เราเห็นที่สิ่งที่พระเยซูกิตเจ้าทำนะครับแก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาสไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม่อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่เหาะไส้ตะเกียงที่เป็นควันจนจะดับท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมและมีชยัยชนะประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่าน เปรีรยสุขีเจ้าได้ทําพันธกิจของพระมิสยาตามคําทำนายและพระองค์รอคอยพระองค์หวังและพระองค์ปรารถนาที่ให้เราทั้งหลายนั้นที่จะใกล้ชิดพระองค์เพื่อจะได้รับการปลดปล่อยจากภาระทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยความอายุติธ่ทมทั้งหลายที่เราอาจจะถูกรับเปรีรยสุขีเจ้าท้าชวน ให้คนทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยมาหาพระองค์ผมกล่าวหลายครั้งบนธรรมานี้มทิวบทที่สิอ็ดข้อยีดยี่สิบเกสสิบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอรของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพจิตใจของเราอ่อนน้อมและท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็ เปรสกริทเจ้ารอคอยนะครับพระองค์ทรงทำภรรนานกิจของพระเมสยาผู้ที่มาปลดปล่อยนั้นได้สําเร็จและงานของการทํานายนั้นก็สําเร็จนะครับในประการที่สองนั้นก็คือว่าคุณลักษณะของพระคริสต์สำเร็จพระองค์นําความชอบธรรมทรงเป็นผู้ที่ยุติธรรมนะครับเป็นผู้ที่นําสันติสุขและงานของพระองค์นั้นก็สําเร็จ ตามคำทำนายองค์สันติราชพระบิดานิรันการตายของพระเยซูกิจเจ้านั้นเป็นการนําการคืนดีมาสู่มนุษย์นํามนุษย์กลับไปสู่พระเจ้านํามนุษย์นั้นให้คืนดีซึ่งกันและกันในวันที่พระเยซูกิจเจ้าตายนะครับ นักศาสนาศาสตร์ได้อธิบายว่าซาตานชัยโยเพราะว่าอะไรครับบุตรของพระเจ้าตายแล้วคนที่จะนำมนุษย์กลับมาถึงพระเจ้าตายแล้วแต่ในวันที่สามหัวของงูแหลมมันหน้าแตกเพราะว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเท้าของพระเยซคริสต์และข้อมือของพระเยซคริสต์เจ้านั้นฟกช้ำเพราะความบาปทั้งหลาย เป็นไปตามคำพยากรณ์ครับบทที่3ข้อ15นี้และยิ่งกว่านั้นในข้อที่21เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าพระเยซูคริสต์ว่าจะมีชีวิตที่ถูกฆ่าถูกประหารนั้นเพื่อแลกกับการปกปิดเพื่อเพื่อแลกกับมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่พระเจ้าทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้กับอดัมสวมปกปิดร่างกายเขาอายใช่ไหมครับ ทั้งสองคนอายเนื่องจากความทำผิดของเขาและการตายของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์เป็นแกะเป็นชีวิตนั้นที่แลกกับชีวิตของผู้ที่ต้องตายเพราะความผิดบาปสันติสุขเกิดขึ้นเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อเราจึงมีสันติสุข นั้นเราจึงมีความสงบเราไม่บาดหมาง ก, กันกับพระเจ้าอีกเห็นไหมครับเมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปคำสาปของพระเจ้าเป็นไงครับรุนแรงแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายก็เกิดหนามขึ้นนะครับอาจจะเคยได้ยินผมบอกแล้วว่าก่อนหน้าที่อาดัมทำบาปนั้นดอกกุหลาบไม่มีหนาม ่นนะครับเพราะพระกัมพีบอกว่าตั้งแต่นั้นไปต้นไม้ในทุ่งนาหรือว่าต้นไม้ทั้งหลายก็จะเกิดหนามขึ้นแก่เจ้าแสดงว่าต้นกุหลาบมันไม่มีหนามนะครับสมัยก่อนการคืนดีเกิดขึ้นครับสันติสุขเกิดขึ้นเราทั้งหลายมีสันติสุขมีความสงบภายในจิตใจเพราะว่า พระเจ้าทรงเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มแรกของโลกแล้วเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปเมื่อมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกร้องหามนุษย์เรียกร้องหาเพื่อจะให้เขากลับมาสู่พระองค์พระเจ้าทรงเลือกโนอาห์กับครอบครัวแดคนทั้งหมดแต่แล้วลูกหลานของเขาก็ปฏิเสธพระเจ้าอีก พระเจ้าเรียกอิสราเอลและแล้วลูกหลานของอิสราเอลก็ปฏิเสธพระเจ้าอีกกษัตริย์อง์แล้วองค์เล่าที่ปฏิรูปนําคนมาหาพระเยซูนําคนมาหาพระเจ้ า, า, จาชื่อแล้วชื่อเล่าที่ที่แปลว่าพระเยโฮวาส่งช่วยให้รอดอย่างเช่นโยชวูยชวาโยซียา เ, เฮเซคียาอิสยาที่แปลว่าพระ พรเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาทรงเป็นความรอดแต่เขาก็ปฏิเสธมนุษย์ก็ปฏิเสธพระเจ้าจนถึงคนสุดท้ายที่ชื่อเยซูชาวนาสะเลตคนนี้ที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อนํามนุษย์นั้นคืนดีกับพระเจ้าและเลือดที่ได้หลั่งไหลนั้นความเจ็บปวดของพระองค์บนไม้กางเขต น, นั้นเพื่อชําระล้างความผิดบาปของมนุษย์นําเราได้คืนดีและนําเรานั้นมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งความบาปทั้งหลายนั้นพระคริสต์เจ้าก็ได้รับไปในอิสยาบทที่ห้าิบสาข้อสาและข้อห้าได้บอกว่าในทีเดียวที่ท่านแบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกร่านั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่า ท่านถูกโบยตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความผิดของเราการตีสอนอันนั้นทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์ตกแก่ท่านและที่โปร่งสองต้องทนทุกข์ทรมานนั้นเพื่อเราครับสําเร็จและเปโตรได้กล่าวว่าในสอหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ 24พระองค์ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ที่พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายบาปทั้งหลายของเราได้รับการรักษาให้หายแล้วเพราะความฟกชำ้ำข้อเท้าที่ฟกชำ้ำ ข้อมือที่ฟกช้ำพงพันของหญิงที่ทำสำเร็จแล้วในเพลย์สคริต์สัญลักษณ์ของสัตว์ตัวนั้นที่ถูกฆ่าเพื่อจะนำหนังนั้นมาให้ปกปิดร่างกายให้กับมนุษย์ก็ได้สำเร็จแล้วที่เพลย์สคริต์เมื่อโพรงถูกจึงบนไม้กางเขนไม่ใช่เพียงแค่ คนยิวเท่านั้นพระเจ้าเพื่อทุกคนที่ยอมรับพระองค์ว่าเป็นพระเจ้านั้นจะได้รับประโยชน์นี้เราทุกคนอยู่ในโลกนี้หลายครั้งเราบอกว่าคนที่คบกันมีหลายคนบอกว่าคนที่คบกันมีความสัมพันธ์กันก็เพราะผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์เราก็ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีผูพันอะไรกันใช่ แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมนุษย์เราได้ผลประโยชน์ครับเราได้รับผลประโยชน์จากการบังเกิดของพระเยซูคริสต์และการสิ้นพชนของพระเยซูคริสต์และชนชาติทั่วโลกได้รับผอภรจากเชื้อสายจะตามคําพยากรณ์นั้นเหล่านี้และคําทําลายที่เบล่งถึงพระเยซูคริสต์ ในประถมะการบทที่12ข้อ1ข้อ2 3พระเจ้าเรียกให้อับราฮัมออกจากชนชาติของเขาออกจากหมู่พี่น้องของเขาและเชื้อสายของอับราฮัมนั้นจะเป็นพรไปสู่คนทั่วโลกและคนทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะเชื้อสายของอับราฮัมและมันสำเร็จครับในพิเศษคริสประมาณ1พัน 200ปีประมาณ 1,500 ปีนะครับจากปฐมกาลบทที่12นี้จนถึงพระเยซูคริสต์สำเร็จไม่ใช่ฟลุกครับสำเร็จตามแผนการของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าทรงช่วยได้ทันเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้พระเจ้าแท้ช่วยได้และช่วยทันอยู่เสมอพระองค์เกิดมาในเวลาที่ การเมืองของอิสราเอลนั้นตกเป็นท่าแต่ขณะเดียวกันนะครับไม่เพียงแก่การเมืองเท่านั้นเองจิตใจของมนุษย์นั้นก็ตกเป็นท่าแห่งความบาปพระเยคริสต์เจ้าได้มาบังเกิดและได้ช่วยมนุษย์ได้ทันเวลาอยู่เสมอย้อนบทที่3ข้อที่17ปกติเราท่องข้อ16ได้ใช่ไหมครับข้อ17ว่าอย่างไรครับ พระองคไ์ไม่ได้มาเพื่อพิฆากษาลงโทษโลกแต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดนะครับเราท่องย้อนบทที่3าข้อ16ได้นะครับท่องข้อ17ด้วยนะครับข้อ17ก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะครับการช่วยให้รอดขององค์พระคริสต์เจ้านั้นเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์อย่างปาฏิหาริย์นะครับสิ่งที่เราควรจะทำคือเราไว้วางใจในพระองค์ ไว้วางใจในพระเจ้าแสวงหาพระองค์ชื่อฟังพระองค์โยเซฟนะครับวางใจพระเจ้ามารีวางใจพระเจ้ามารียอมรับที่จะเป็นทาสีของพระเจ้ายอมที่จะให้คันนั้นเป็นที่เกิดที่พักของพระกุมารพระผู้ช่วยให้รอดโยเซฟยอมรับที่จะรับมารีมาเป็นภระระยาหนี ไปอยู่อียิปต์กลับมาอยู่ที่นาซ a ร็ t นี่นคือการกระทําที่ไว้วางใจในพระเจ้าผู้เชื่อต้องยุติการบาดหมางครับพระอาจารย์ปอลโลได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเรียนแบบข้าพระเจ้าช่างกล้าหาญนะครับแต่ต่อไปท่านบอกว่า เพราะตามอย่างที่ข้าพเจ้าได้เรียนแบบของพระคริสต์เอเฟซัสบทที่หข้อหข้อสองเขาบอกว่าทั้งหลายจงดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้านั่นนะครับลักษณะของพ่อลักษณะของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกเกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูและเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือการเป็นผู้ที่สร้างสันติที่ใดมีการบาดหมางให้ข้าพระองค์หวาน สันติไม่ใช่ว่าที่ใดมีสันติสุขที่ใดมีความรักไข่ปลองดองให้วานความแตกแยกอันนี้สตานครับและหลายคนมีลักษณะอย่างนี้นะครับขี้อิจฉาเห็นเขารักกันเนี่ยไปหยอดหยอนหยอดให้เขาทะเลาะกันแต่ลักษณะของผู้เชื่อลักษณะลูกของพระเจ้าคือเราเป็นผู้ที่สร้างสันติบุคคลทุกใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะถูกเรียกว่าเป็น บุตรของพระเจ้าอเมนเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราสร้างสันติเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่สร้างสันติกลับมาหาพระเจ้าครับกลับมาหาพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าจะรับการรักษาให้หายผมได้เห็นรูปอันหนึ่งของการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานะครับคนที่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งไม่รู้เป็น ภาพตัดแต่งหรือเปล่านะครับที่เขาเขาถือพระกัมภีแล้วจะนำพระกัมภีเข้ามาสู่ธรรมเนียบขาวโอฮาเลลูยาเลยนะครับแล้วก็มีชนกลุ่มที่ผิวสีนะครับนักเทศผิวสีอธิษฐานวางมือให้กับธรรมนะครับที่จะเป็นปัฒนาวิดีคนใหม่ที่นำประเทศสู่ความชอบธรรม พี่น้องแะครับพระเยริเจ้าเชิญชวนเรานะครับเชิญมาเถิดให้ผู้ที่กระหายเข้ามาให้ผู้ที่มีใจปรารถนาที่จะรับน้ำแห่งชีวิตเข้ามาโดยไม่ต้องเสียงอะไรเลยนี่แน่เรายือนอยู่ที่ประตูผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหาร ร่วมกับเขาและเราจะรับประทานอาหารร่วมเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเยซูเจา้าทรงกระทำภารกิจและมีชีวิตและการบังเกิดของโปรองค์นั้นก็สําเร็จตามคําพยากรณ์ทุกอย่างเกินที่มนุษย์จะควบคุมได้แต่พระเจ้าทรงกระทําไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกินกว่าที่พระองค์จะทําได้ แม้ว่ามนุษย์จะเกินกำลังแต่สำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินกำลังก็เชิญชวนพี่น้องนะครับในการที่เราจะใช้ช่วงเวลาของการของทริสมาร์ประมาณ 30-40 ี่สวันที่เราจะเข้าต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะใคร้ครวญชีวิตของเราให้เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้า m i l เลคโค f Love ในวันที่2ี่5ิี่บเดือนหน้านะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่เราจะเฉลิมฉลองด้วยกันเราเตรียมใจมีบทเพลงคริสต์มาสนะครับเมสยาของเฮนเดนะครับในวันที่สิบอีกสองเสาร์ข้างหน้านะครับที่โบสถ์นะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากกล่าวถึงคํำพยากรนะจนสำเร็จถึ ง, ถงการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนะครับ พระเจ้า way, อวยพรพี่น้องให้เทศกาคลคริสต์มาสนั้นเป็นเทศกาลที่เราได้รับพระพรและเป็นเทศกาลที่เราเป็นพรแก่กันและกันครับ